เข้าใจว่าเราฟังธรรมะรู้แล้วก็มันดีทีเดียวนะไม่ได้คืนฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันประกอบไปด้วยสถานที่ประกอบไปด้วยเวลาเน่ประกอบไปเลยบลยุคคลเนี่ยประกอบไปเลยธรร ม, มะการฟังธรรมต้องเรื่องสถานที่เป็นอยู่ในวัดนะเนี่ยมันมีความสงบมีในป่า จะรความสเมื่อพูดอะไรออกไปก็ไลยดึงข น, นาดไร่ที่นใ่นเอกสารที่มันสมควรเอกสารที่ในสมควรไอ้นคนร้องเพลงก็ร้องเพลงคนเล่ น, นอะไรก็เล่นมีวุ่นวายมีมุทะเบีเยดต่างๆหลวงพ่อเคยไปงานมงคลไม่ใช่งานมงคลแต่งา น, งานอะมงคลเหรอ เข้าไปก็อยากจะฟังเทศรับศีลแต่เขาไม่นสนใจนในศีลไม่เทศคนเล่นก็เล่นคนดินเหล้าเขอดื่มมีแค่ห้าอย่างตนฏิบูลพระปเทศตรงนั้นนะอย่างนี้เรียกว่าสถานที่นั่นต้องไปสมควรเวลานั้นต้องไปสมควรบุคคลนั้นตน้องไปสมควรไม่คว ร, รคที่จะวางธรรมเทศนานในตรงนั้น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 ให้ฟังฟังไว้เอาไปกลองสะ ก, ก่อนกลั่นสะก่อ น, กกอนคือเอาไปภาวานาเอาไปพิจารณาเราเรียกว่าภาวานากันในภาษาธรรมะภาษาโลกเราก็เรียกว่าพิจารณาการพิจารณามาเข้าถึงธรรมะท่านกอเดว่าภาวานาภาวานา ภาวนาก็คือการคิดเจรนาภาวนาหมายถึงว่าทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นนะเรียกว่าการภาวนามันเป็นภาษาคำพูในความเป็นจริงมันก็อันเดียวกันการคิดเารนาการภาวนานะอันนึงมันเป็นภาษาโลกอันนึงมันเป็นภาษาธรรม <c oughs> เราจะรับฟังพระธรรมเทศนานี้ก็เหมือนกับประ น, นึ่งว่าเราจะย้อมผ้าถ้าเราต้องการสีเราจะเอาไปยอ้อมจะทำยังไง โดยปกติเราต้อ ง, องเอาผ้าไปพอกไปซักให้มันสะอาดอามายอมสีนั่นจะเอาสีอะไรใส่ที่เราชอบมันกดกินไม่ใช่ว่าไปบ้านไปบ้านเจ๊จะเห็นสีก็คอือสวยแล้วก็ชอบสีเขาแค่จะามายอมผ้าอยู่บ้านเราให้มันสวยแต่ผ้าอยู่ในบ้านเราไม่ได้พอกไม่ได้พักไม่เอามายอมเลย เย่างนั้นมันก็ไมสวยพื้นที่มันใน่ดีมันไม่สะอาดอย่างนั้นเปรียบอย่างนั้นการที่เราจะเข้าสู่ดัตธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นทําใจให้สะอาดเป็พื้นฐานของมันยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพ่อวันนี้ให้ให้ธรรมทานฉินเนี้ยเป็นธรมทานสินแบบถึงพระธรรมจั น, ท, น, นท ร, นรใ์ใจก่อนแบบธรรมทานฉิน คือท่านหมาถึงพระศาสนาไตรคือรพระพุทธปะธรรมในประสงค์พระพุทธก็คือท่านผู้รู้รู้อะไรคือรู้ความจริงความจริงก็คืออะไรความจริกรร ง, งก็คือธรรมอย่าพระพุทธปะธรรมประสงค์พระสงฆ์ก็คือผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะที่พระศาสดารู้แล้วบางเป็นความจริงนั้น เรียกว่าเป็นผสมนั่งอยู่เฉยๆนี่ก็เป็นผสมได้ตรงนี้นหมายถึงเ่้นแต่งตัวหมายถึงผู้ปฏิบัติตามธรรมะปฏิบัติของขั้นต่างกันตรงนี้นี่เป็นผสมผู้ติดตามเรียกว่าพา ร, ราเซนเมตรัยหือพระพุทธนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์นี้พระพุทธเจ้าของเราต้องการต่อให้รู้เะก่อนให้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 มื่สี่กุจูงเข้าไปในป่าเราจะทำอะไแต่เราเชื่อแต่ไม่เกินกว่ายิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงค์แต่เราไม่ให้ดูถูกพ่อแม่ของเราครูบาอาจารย์ของเราไม่ให้ดูถูกแต่ในเชื่อยิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมประสงค์เดียกว่านทันในพระรักอืมาถ้าแต่มนตรัยพระพุทธพระธรรมประสงค์พูดง่าย สกกรดีพระธรรมกรีพระสงฆ์ก็ดีนั้นยิ่งเป็นชื่อของผู้ที่ประกาศความจริงอย่างนั้นทา่านเหเชื่อแต่ความจริงย่อเข้ามาก็คือพูดแังไงว่าท่านวป็นหายเชื่อกรรมแต่การกระทาของเราเราจะทำทางกายทางวาจาอจิตอะไรที่มันปราศจากโทษทั้งหมดเราก็ทมไป กรรมกรรมเป็นใหญ่กคนในที่กรรมมันมีหลายอย่างอยู่ในโลกหน้าอัศจรรย์ก็มีหน้าเรื่องไฟก็มีหน้าอะไรต่างๆก็มีแต่ละสัตว์ตอย่างอ น, นั้นเป็นเป็นอิทธิฤทธิเป็นมหาสัจจ์อะไรต่างๆหลายอย่างอย่างใด้ติตามมาันเถอะ พระพุทธเจ้าของเราทันว่ากรกรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ของเรากรรมเป็นปีกพื้นที่อาศัยมนุษย์การกระทําระทำทางกายก็เดียกกายกรรมจะทําทางวาจาเรียกวิจกรรมจะทําทางใจก็เรียกว่ามาโน ก, กรกรมนนกรรมคือการกระทรําำดังนั้นท่านจะต้เชื่อมั่นในเจ้าของที่การกระทําของเรานั่น เป็นว่าท่านให้ชื่ออาการภายนอกมากกว่าเคยเห็นผู้ปฏิบัติธรรมะเคยฟังธรรมะเคยเข้าวัดเว้าวาเมื่อเมื่อใดใจไม่สบายบางทีก็ไปหาหมอครับให้เขาดูให้มันเป็นอะไรไม่้ยม่นไปค้นหาตัวจริงมั่งละ ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นอหม้ อ, มอมมกดทายเนีปีนี้ระวังนะไปรถก็ให้ระวังไปเรือก็ให้ระวางรนะวังอุบัติเหตุนะอืพอเรานั่งฟังก็เลยเป็นเคราะเลยระวัง อ, อย่างนี้สี่คนไม่เชื่อมั่นในต่ำกลัวตัวจะเป็นอย่างโน้นกลัวจะไปเป็นอย่างนี้ทั้งหลายั้งอย่างตัว หลายอย่างคือคืในเชื่อมั่นในคุณพระพุทธธรรมผสมของเราบาเราทําดีแล้วเราได้ดีแล้วพูดดีแล้วก็ทําเราดีแล้วมันจะเป็นในในกับครอกรรมใช่ไหมแต่ในเชื่อมั่นนี่จะปลูกบ้านที่จะออกเรินทางเนี่ยจะเรินทางวันไหนวันดีอย่างเรามากันเไม่ยไปหาหมอที่มัน เ น, นีบางคนก็ต้องไปดูไปเดินทางจะออกวันไหนเวลาเท่าไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไม่เชื่อมั่นในคุณประพุทธประธรมประสงเลยต้องไปเชื่อหมอบางทีหมอเขาเอ้ยคุณจะไปเลยไม่ดีจะแล้วกลับบ้านหมนะ อ, อย่างนี้เป็นต้นเชื่อว่าเราไม่เชื่อมั่นในเราไม่เชื่อมั่นในคุณพระรัตนสัย ไ, ไม่มีอะไรจะมาทําให้เรานอกจาก ตำของเราเท่านั้นเนี่ยแสนจะปลูกบ้านอย่างนี้ก็มันตามจะไปกินน้องอันนี้ก็ตามไป อ, อย่างข้ อ, ขอการา์ตูนมาอยู่บนอืมเอาย้ายจากนี่ไปกรุงเทพไปจะกรอุ ด, ดอนไปที่ไหนก็ต้องเข้ามาหาลูกพ่อเดินทางวันนี้มันดีถ้าเราเดินดีก็ดีทุกวันเนี่ย <c oughs> <c oughs> ถ้าเราดีมันก็ดีทุกวันโดยมากราชการจะโยกย้ายจะต้องเลี้ยงกันตกินเหล้าเมายากันเนี่ยมันจะไม่ดีแล้วเนี่ยอรียบ้อยลดมันจะรู้สึาากถนนให้ระวังรถไฟไปนี่เราทําอะไรดีดีแล้วมันจะเป็นอะไรเพื่อการจะทําของเร า, ามันจะมีต่ําอันอื่นจะมาทําให้เราเป็นอย่างโน้อนอย่างนี้มันไม่มีอย่างนั้นกันจะไห้เชื่อพระ พ, พระทุทธธรรมไปสรง แเราต้องเชื่อมันน่นอย่มีความเชื่ อ, อยนี่ก่อนอย่างการกระทำของเรานี้เราก็เชื่อในการกระทำของเราอืม <c oughs> ว่าเราจะต้องทําอย่างนี้งั้นจึงไม่ให้มีความสงสัย <c oughs> ในการกระทําของเราเจ้าว่าถึงพรษษะตะนาทายอย่าถือมองคลตื่นพาวถือจะถือมองคลตื่นพาว มงคลนี่ยมงคลตื่นพาว้วมันเป็นอามองคลเขาว่ามันเป็นนงั่นเขาว่ามันเป็นนุ่ ง, งนี่แต่งงเงงาาราพัดอย่างนะก็รวมกันไปเถอะรวมกันไปอืมเป็นไปเป็นเปล่าเท่านั้ น, านทางต่างเสียดมีเรื่องหนึ่งเออเออจะ ม, มีไปกันดูหลายๆอย่างบางทีก็ไปเอาน้ําจากนันมาน้ำทิ้บเกิดจากถิ่นนนที่ไฟหากันมาในหุ่น น้่ในสายเนเป็นเลนหมดไอย่างนี้เอาไปอย่างนั้นแหละนี่มันมันตื่นตื่นเต้นเกินไปมันก็ไม่ดีพระพุท ธ, ธองค์ของเราท่านสอนว่าให้เป็นคนนิ่งอยู่โดยปัญญาของเราแต่ซึ่งว่าอันนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้กอฟังไว้ก่อนการทาําจิตใจอย่างนี้ทันเหียกว่าทำโดยละเอียบข่ า, าย นั่นเป็นว่ า, าเชื่อมั่นในคุณพระพุทธในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์พระพุทธเจ้าองค์ท่านสอนอย่างนั้นจึงไม่มีความลังเลสงสัยถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นในคุณพระนัตรัยก็ลังเลสงสัยไ ม, ไม่ไม่รื่องความจริงไม่รู้ว่าจะอะไรดังนั้นการทํำธรรมฐานนี้พระพรัตนตรัยมีเป็นมาตรฐาน เป็นผิดพึ้งของเราทำใจให้แน่แน่วให้จะว่าเป็นอะไรก็สั่งสายเถอะเราทําดีเท่านั้นไม่ต้องสงสัยการที่ไม่สงสัยนี่แหละเรียกว่าอมันเดินเรื่อยไปถ้าคนสงสัยเราก็ ก, กลับมาแล้วก็กลับไปกลับไปก็กลับมาวุ่นวายอยู่ตรงนั้นเรียกว่าคนสงสัยนันเป็นะไรเราสมัรฐานถิ่นกันมันมเห็นดหมสิ้นมันดีมั้งก็ล อ, องล อ, องคิดดูสิ ต้องคิดดูให้ละเอยดจะเข้าขังเราข้าวคังใครเป็นดีการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียเดเบียนคนอื่นไม่เบียเดเบียนัศมันาีีไหมให้เราคิดคือืมท่านบอกว่าปานาอจินนาไม่ข้ามจิตของคนอื่นไม่สมุนของคนอื่นนี่มันดีไหมหามาคิดเรื่นี้ก็รู้อื อืที่มีครอบมีครัวแล้วนะอยู่ในวงจำกัดของเรามันดีไหมหรืออยู่ยนอกวงมันดีดูเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดไกลของง่ายๆแต่เราไมา่เคยจะคิดแต่หมสารอนการคูดโกหกเนี่ยมันจะดีไหมคิดไปมันซึน้งนะให้เข้าทางธรรมะอย่าไปเข้าทางเรา เราเอาแค่์กังนง่ายนะไม่ต้องไปรศึกษาอะไรมากตัวที่ห้าก็คือตัวไอ้เครื่องเงินเมา ไ, มอมไอ้คนที่ปราศ จ, จากเครื่องเงินเมาเนี่ยมันดีไหมอย่าเข้าค้างจะคลองนนี่นี่แสดงว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าหากว่าใครมีคุณสมบัติทั้งห้าประการนี้แล้วไม่ต้องไปถามไร พันเป็นอะไรในะสมทุทฐานไอย่างพระสงค์หรือสุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีปฏิปันโนสุปฏิปันโนคือท่านปฏิบัติดีดีกายดีวาจาดีใจมี่เป็นคุณสมบัติของท่าน <c oughs> เป็นคุณสมบัติของพระสงฆ์แกเรียกพระสงฆ์อุชูปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงตรงกายตรงวาจาตรงใจด้วยธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าคนแรกเท่านั้นเนะ อันนี้เป็นคนใสมบัติของไตรรงค์ใครมีอย่างนี้เป็นสมบัติของพระสุ ป, ปฏิปันโนอุุ ป, ปฏิปันโนยายยะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติในดวงโลกครับปฏิบัติตามสัจธรรมถ้าหากว่ามันเป็นสัธรรมแน่นอนแล้วใครจะบ่าดีก็สั่ให้ใครจะบ่ชั่วก็สั่งใครเพอะรรเราตรงของเราไปด้วย บางทีปฏิบัติเ hey, ฮ้ยทำอยากจะทำเลยเดี๋ยวนี้โลกเขาไม่ทำง่ายนักแต่ก็หันลบมาหาเขาอย่างให้เราเข้าใจอย่างนั้นกานรมีที่ปฏิบัติปฏิบัติยึเอาศีลสมาธิปัญญาคำสอนของพ้เราเป็นใหญ่่งคุณสมบัติของพระถึงที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบญาติโยมเราทหลายสมบัติต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ ก่อ น, นจะทำอะไรอะไรก็ให้ตรวจดูคลืนถามก่อนบรรยอมผ้าต้องตรวจดูผ้าแล้วตรวจดูสีอเมร็ยนี่ต้อไม่อยอันนี้เรื่องพัฒนาไตรเรื่องพัฒนาไตรต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ ที่นมาพูดถึงเรื่องปฏิบัติกันทุกวันนี้มันยิ่งไปกันใหญ่นะหลายอย่างในปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกเราเนี่ยมาเที่ยวมาสนใจในความปฏิบัติจะไปพบอะรหลายแห่งต่พบอาจารย์ที่อาารบอกในคำอย่างนั้นไปพบอาจารย์นั่นไปฟังในคำอย่างนี้โดยยุ่งตลอดเวลาเลยอ คือไม่เชื่อมั่นในใจบางทีประทำกรรมฐานกรรมฐานอย่างน้อยมีไป40ข้ออารมณ์กรรมฐานเราจะไปเรีย น, นมันหลาจนไปไม่รู้ว่าจะทำอะไรยกคุดโทคุดโทขึ้นมาภาวนาใจมันก็ไม่สงบจะต้องดึงมาดึงมาทำอีกหลายๆอย่าง ตลอดคืนเอานู้นบมาเอานี่้างนนวุ่นวายต่อเปลได้เลยกันต่ปลไม่ได้เรื่อนแต่นี่เป็นถือยังทำกรรมฐานของเรานี่เรามีพืนเคดีแล้วโดยทาจิตให้ม<ส>ันเป็นโดยมากแต่เรามีพัฒนาใจเราต้มีศีลห้หตาประการถ้ามันจิพลาดไปบ้างก็กลับมาพยายามกลับมามีความรู้จิตนึกคิดอยแางนั้น ที่เราจะต้องปฏิบัติธรรมในตอนอนี้นี่เป็นข่้นถามที่เดียกว่าพัฒนากลเป็นที่สุดของเราเป็นที่ออกไปของเร า, เเราทีนี้การ ม, มาทํากรรมฐานนี่การ ม, มาทําความใจกันก่อนกาทําทไปทไําไมทําให้มันเกิด อ, อะไรมันมีประโยชน์อะไรไหมมันมีผล เรื่องมาทำก็มาทันทันใจของเรากล้าให้จิตของเรามันสุดจิตันเรื่องไม่ใอืเย็นเราคอยดูจิตของเราไหมล่ะทำไมถึงจะจะสุดของมันจิตทำไมถึงจะสุดมันจิตของเรานี้เกิดสมะไรจิตในเคยสิจยังในเคยสุดจิตของเรามันตามใจของมันอืมาโมโหก็ปล่อยตามใจของมันมันโจทธใคก็ปล่อยตามเรื่องของมัน ยิงแล้วยิงยิงเราเป็นเบเกิดเนกะิดมาเป็นลูกของพ่อของแม่พ่อแม่ยิงแล้วยิงต่อยตามใจเองเลยโน no, ่นไม่เคสึกไม่เคยสึกจิตของเราไม่มรู้จักการสึกจิตของเราทำกรรมฐานนี่ก็เพื่อการสึกจิตของเรารู้จักอบรมจิตเรานี่เป็นเป็นส่วนใหญ่เพรมันจะต้องทําอย่างนี้เรียกว่าการปฏิบัติธรรมพูดง่ายๆเรื่อปฏิวัติธรรม ที่เรามานี่เดยวมามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือมาปลุกจิตของเราหนเอยใจของเราเนี่ยมันนอนอมันอยากจะให้มันเร็วไอ้สิ่งที่ใจของเราอยากใ้มันเร็วเร็วกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งนั้นอยากใจมเร็วที่สุดดันั้นการทำกรรมฐานนี้มันจึงไม่ค่สงบกั อความสงบมันจะเกิดขึ life, ้นตรงไหนความสงบขึ้นความสงบที่เราทํากันนั่นแหลมันจะไม่สงบที่เราตึงชนิดให้มันตึงเครียดไอ้ความสงบที่มันจะเกิดขึ้นระยาะที่เราปล่อยวางพ้เราตึงตึงเครียดอม้ไรต้นต้นมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนเรื่องวุ่นวายอืมแค่ดูความสงบภายในจิตอืม ดูอย่างพระอ น, นุนใครดูมัระบัติของพระอนุนพระอนนอ น, นั้นท่านเป็นผู้รู้ธรรมะมากที่สุดเมื่อจริงๆเราไม่รู้จักใจตรงไหนอันนี้มันก็ดีนะอันนั้นจะดีนะกัอันนี้กะดีนะกันโดยดีจะตงคืนอั้งน้นแกทไม่เป็นเราดีแต่ เ, น, เนี่ยแความสงสัยก็ยังมีเพราะนั่นทำให้มาคิดว่าเออตอนเช้าช่วงนี้ เขาก็ที่พระอรหันต์เป็นธรรมสัญนาเดชานนท์องค์หนึ่ง้วยแต่พะอนนจะเป็นพุทธชนอยู่ก็ร้อนใจมีคืนเยอะฉะนั้นเราเริ่มเป็นที่เลยอยากไปเป็นพระอรหันต์ยิ่งทไก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยด้วยเรื่องเลยจนจะสว่างเลยเรานี่มันมันมันเป็นเชื้อเกินไปมั่ยอเหนือย็นื่อยไอง่วงก็ง่วงทำไปพักัน พักก่อนให้เสยาอันวางมันไว้ตกงไม่ทาอะไรเลยพอกันทอดอะไรทุกขนาดนี้เอนตวางมีความรู้อันเดียขนดน้คลุกเมื่อจิตมันวางคุกขนานั้นละนะมันเลยที่สุดเ่พระอเมนแต้ดูในเวลานี่ในเวลาที่วางเนี่ยองลองดูที่พวกเราไปนั่งกรรมฐาน ตัดควันไปดีๆสิเอาเถอะโอ้ตายเป็นตายลองๆดูสิลองดูไอความสงบไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นน่ะลองดูก็ได้นองดูวันนี้ก็อะไรกลับไปบ้านนองดูก็อะไรัดสมาธิขึ้นยันเลยไอจับควันตายเป็นตายโอ้ยเหนียมันเหลโ้ยอันนั้นเนาะไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นความสงบไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นไอความสงบมันอยู่ที่มันพอดีพอดี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 ก็าน so, <TI> ั่งจับกันไปลองดูลองจิ้งลองๆดันไปไม่มีไม่ไม่มีทางเลยยุ่นตลอดเลยนาเมื่อเราเป็นดต่อไปอารมณ์เรื่องกรรมฐานนี่มันอยู่ด้วยอารมณ์มัน็มีรวมอารมณ์หลายอย่างคืออารมณ์นี้คืออารมณ์นี้คือมีอารมณ์อันเดียวอย่างเราจะดูอาดูโรมหายใจสอบไปมีอารมณ์อยู่กับอารมณ์ไม่ใช่ต่ออารมณ์ เราอยู่ในโลกทมันหลาอารมณ์เตมไปเดี๋ยวอันโนนไมจ่จบเดี๋ยวอันนี้ไม่จบวุ่นวายจิตใจที่ไม่ค่อยสงบทีงนีพระสมรมมันมันเกิดกับอารมณ์มันอยู่ด้วย อ, อารมณ์ท่านก็เอาอารมณ์มันเล่นจะหปเล่นอารมณ์ามาเดื่อเวออเล่ น, น, น, เนไปเรื่อยเล่นเระดับเนมาเย่อยจะไปเล่นโขนจะไปเล่นหนอยม่จะเล่นนี้ยัางอารมณ์ที่เรากรรมานเนี่ยท่านจะอารมณ์าม ห, าามหายใจเสมา มป็นอารมณ์กลางของกรรมฐานเนี่ยห า, า, ายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก <c oughs> เราจะเข้าใจว่าอเข้าไปมันทุทธออกมันโทก็ได้อย่างนี้พุโทพโธพทโหรือหากว่าเราจะไม่จํานตแบบพุทโธก็ได้ถ้าเข้ามันจะพุทธเองมันแบบออกมันกระโทเองมาเให้มันออกกอย่างงั้นได้ความว่าเราจะดูอาจารย์ของลมมันเข้าเราก็รู้จัก มันออกกราก็รู้จักนี่คือเป็นเป็นผูรู้แต่แล้วมันเข้าเราก็รู้มันออกก็รู้ความรู้นี่แหละมันเป็นพูวโผอยู่แล้วไม่ต้องแบพุทธไม่ต้องแบบโธ่ไม่ต้องบบพุทธไม่ต้องแบบโธ่ก็จะขิกเหียบไหวใช่ไหมกระจายไมนี่คือใครที่จิตธรัมดีเมือมันเข้ามันก็พุทธออกมันก็โธ่เด่กมันเป็นในข้างมนดูเราเข้าใจว่าประเทศอันน่เนี่ยยุคหนอคองหนอ อย่างนี้อันนี้จะถูกเหมือนกันแต่เรามีว่ายกหนอพองหนอเราหายใจเข้าหายใจออกมันจะยกเองมันหนักมันก็พองเองมันไม่ต้องไปว่ายกบ่าคลองมันคือว่ายกบ่าคองคือให้ออกเสียงขหนิ่มันสั่งใจขึ้นมาในความดีมันยกเองมันได้หายใจอยู่ัหมหายใจเข้ามันคลองไปเลยหายใจออกมันยกไปไหมมันเป็นในตัวของมันอยู่แล้ว แต่ส่อายุหนอฟองหนอมาเสริมสติใมันพัดกระจายกันนยไม่มีสติอันนี้ก็ไม่มีสตรวมแรกก็เข้ากะรู้ออกกะรู้เนี่ยที่เราทำกรรมฐานสตินี้น่ะไม่ต้องให้มัรู้อะไรให้มันรู้รมมันออกแล้วมันเข้าตามสบายมันจะอยู่ตรงนี้โ่ยการคิดอะไรมากมายอย่าไปคิดเมื่อไหร่น้อมันจะเป็นนั่นเนื่อไหร่น้อมันจะเป็นนี่อราจะยุบวายาเลยนั่งให้ได้จกลงเข้าลงออกสบาย ให้มันรู้ชับกะพยายตั้งสติคุณไหวตอนมันพัาดแล้วมันเข้าให้มันตอกมันพาลพน า, าแล้วมัดเดียร้อยไม่มีรีมารมจับจ่อกับอารมณ์นั้นจนใจเรามันผ่องใสไม่มีง่วงเหงาไม่มีเหน็ดเหนี่อยเราไม่เห็นพลาอย่างนั้นอืมไม่มีง่วงอถ้าเราไม่มีง่วงเราจะรู้ตามความจริงของมัน ถ้าคนมีม่วงบางทีระดับตาเพิ่มไปอีกอ้าวมีอะไรกันใรู้แสงอะไรมาผ่านกันในชู้อันนี้คืออะไรรู้วายตลอดเลดวลาอยากไปหมาถึงอันนั้นยี่เดี๋ยเรากำหนดจิตของเราจิตของเราอยู่ตรงไหนเลยอ่ะครรู้จักมั้ยจิตของเราอยู่ยังไงนี่เนาะเราจะฝึกจิตควรรู้ไหมว่าจิตมันเป็ น, ปนยังไงเดีย๋ยวนี้อยู่ตรงไหนนี่มีจ้องจ้องจ้องจ้าใจก่อนถ้าคนจะฝึกจิตต้องรู้จกักจิตต้องแต่ของ บ่ามันเป็นยังไงเนีมันอยู่อย่างไรอนยอนมันเป็นเช่นนี้แต่เราไม่ได้จากกันถ้ามันวุ่บายมาเราต้องมาจีบตะวันวายให้รู้มันอยู่ตรงไหนที่จะเจอความวุ่นวายของมันอนี้ตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราจะสึกจิบเราต้องพยายามรู้จักว่าจิตมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนอะไรที่จะรู้มันเนี่ยนี่ถ้าเราพูดให้มันคัดต่อไปเนี่ย จิตนี้มันก็อม่ใช่อะไรนะรู้ไหมว่ามันคืออะไร่จิตเนี่ยอือจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็มาใช่อะไรความรู้มันก็เป็นความรู้ของมันถ้าเอาชื่อจิตมาแทรกเข้ไปโดยหลงรู้มันก็นโรู้จิตมันมันคืออะไรเนาะแล้วมันคิดเดินไปช่ ย่งนันเาพวดอาษาอังกฤษง่ายเลยว่าไอ้คนที่รับรู้อารมณ์มมนั่นแหละอาจารย์ไม่แน่นไหง่ายสุหนมะบางทีจะไปค้นหนาจุดเป็นปวดหวัวมู้เรื่อยๆนั่นอยู่ตรงไหนไอาคนที่รับรู้อารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ทั่วสสาระความอย่างคนที่รับรู้อารมณ์น้อมใจสมมติว่าผู้รู้แต่จะรับผู้รู้จริงๆก็ไม่ได้ เพราะมันมีผู้หลวงมาบนเตมันอยู่ถ้าเป็นคนรู้ จ, จริงๆเด้วยวก็พุโทโธแล้วเป็นต้นไม่มีทุกข์คือจิตที่สึก แ, แล้วมันรู้จริงๆเนี่ยเป็นพุโทโธมันรู้อารมณ์อันนี้เราไ ม, มา่ใช่ความรู้สึกถ้าชอบใจมันก็ดีใจถ้าไม่ชอบใจมันก็ช่วยใจอะไรมันรู้แบบนี้ี่ยอย่างนี้อเบื้องกว่าจิตของเรายังไม่สึกไม่ได้อบรมที่มีเราเอาความรู้สึกมาอกรม ใหมันรูเท่าทันอารมณ์ที่มันผ่านไปผ่านมาเนะดูเรื่องของมันเป็นความที่จิตมันสงบเมื่อจิดสงบลงไปคั้งหนึ่งนะเราจะเพ่งมันไปกันไปมันเสียไปนะมันไม่ไปแล้วการมันนั้นนาะามันจความสงบนั่นายควว่าเราก็ไปบอตรงนั้นวมันมีปัญญาละมันมีปัญญาอะไรตรงนั้นก็ไปเกิดดีทุก สบายก็ให้เป็นนั้นอย่างอย่างสมาธิเราเรียกว่าสมสาฐานนี่เข้าไปให้สงบเฉยทีนี้ถ้าเรามีความสงบอย่างนั้นเราก็เรีความสงบอย่างนั้นมันเป็นบางครั้งไม่แน่นอนนะเนี่ยเอาไงไ่ายๆเขียนรู้จากภาวะของดิงนะดิงดิงมันไม่ชอบอยู่ในนี่นะ น, นม้จากมีจังหวัดอุบลดิงมากกว่าในนี้มากรุงเทพมันต่ำในนี่น ถ้าหากว่าใครรู้จักภาวะของดินอย่างเนจริงแล้วเนี่ย น, นะไปพบดินอยู่ที่ไหนมันก็่าเนดินแนแเลยนะดินอยู่บนมันหัววันนี้ต้องบกว่ดินตัวอยู่กรุงเทพเนี่ยเมื่อพบตัวดินอยู่กรุงเทพเนี่ยมันแตกดินอยู่บนอันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเรารู้จักว่าดินมันเป็นของมันอย่างนั้นจะไปพบตัวหนึ่งมันอยู่อุบนมันก็เป็นอย่างนั้น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 ไม่คิดถูกเอาไปเลยนะมีพูดนีเป็นคำพูดนะเป็นคำพูดพูดขึ้นยกขึ้นมาม อ, อย่างเอ็งหลวงพ่อจะรู้ยังไงอย่าไปถามเลยท่านเห็นมาานันอย่างไรอย่าไปถามมันเลยอันนั้นมันไม่รู้จักกันหรอกรู้เหตุผลในกา ไ, ไ, ไปรีนาดนแต่หากว่านะถ้าโยอมทั้งหลายแตปรินาถึงจุดนี้จะสงบทุกคนนผลมันจะเกิดทุกคน ผลนั่นคือเรียกว่านีสใยผลนั น, นีองแต่เราเรียกว่าผลนั้นแน่นอนเป็นตัวเองแลอืมันเลิกจากสิ่งทั้งหลายเหล่าเนีน้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็ไม่หมดคือทําให้มันหมดอย่างนั้นมนีที่อยู่ น, ยนี่คือพบอุ ป, ปทานนี่นั่นให้เกิดพบ พบมีอะไรสำหรับเพื่อชาติจะมาเกิดตรง น, นี้เกิดเรื่องขึ้นมาเลยเอาพูดง่ายๆอย่างเรานั่งอยู่นนี่ น, นะอยู่บ้านน่ะมีสวนตำแยสักห้าสิบต้นนะถ้ามีท่านท่านหนึ่งเอ้ท่านมีสวนตำแยห้าสิบต้นน่ะคุณจะต้องไปเกิอดอยู่ทุกต้นนะเนี่ย<ม>คเนเป็นเรื่องนี่ฉันนั่งฉจะไปเกิดทําไมจะเกิดทุ่ต้นน้ตำแยนั่นแหละ นั่นคืออุปาทานมันเป็นภพสํารับชา่านจะมาเกิดอุปาทานนั้นนะ่ะถ้านั่นในตามต้องการเรามันก็รู้สึกอย่าง ไ, ไม่ได้ตามต้องกา ร, รามันก็รู้สึกอยังไงจะรู้ในตรงนั้นไหเออฉันมันเกิดอย่างนี้จริงๆนี่คืออุปาทานมันยึดให้เกิดอย่างนั้นได้เนาะแล้วมีสวนหนึ่งเป็นสวนของคนอื่นที่เราไม่ต้องการไในรับรู้ อยู่ปิดปิดตาบ้านเราเนี่ยแต่ีคนคนอื่นเออมิดไปสับสวนคนอื่นต้องเราก็เฉยนะไม่มีอะไรตรงนั้นเพราะเข้าใจว่าไม่ใช่ของของฉันีนนนนนนนน่มันก็ไม่มีความรู้สึกเสียดายไม่มีความรู้สึกโมโหนะฮะอย่างเช่นว่าอย่างโยมนะกับหุวพ่อเนะนี่นะ รู้จักกันดีอีกบันฑนิงจะเดินจะเดินไปขบวนรถไฟโยงกูขึ้นไปรถไฟโยงก็มาเลยตาก็เห็นอยู่ทํำไมถึงถามอย่างนั้นเนอะถามทำไมโยงก็มาเลยโยงก็ขึ้นรถไฟมาอยู่ด้วยกันทําไมถึงถามอย่างนั้นนั่ น, นแหละมันน่าจะไม่ถามอย่างนั้น มันเปเ็นเครื่องจำเป็นอย่างนั้นสมมติมันเกิดขึ้นมาก็ต้องถามอย่างนั้นให้รู้จักมันมีมันมีอธิบายไปหลายหลายอย่างเพื่อนอาสาวของลูกเรานี้ยโยมมาจากไหเน้ยอ๋อนั้วเรนั่งนงเอาขนาดนั้นิเอาเข่านั่งละโยมเอแค่นั้นน่ะนั่งสงบแล้วก็ยืนจะเดินจะนั่จะอะไรอยู่ก็ความรู้สึกนั้นให้มันมีอยู่้ รนั่งจะเดินไปมันต้องขามันจไว้มันตารนั่งต้หาปิยบทนั่งถ้ามั น, นั่งมือเดมว่าจะนั่งนั่งนนไหนก็นอ น, น, นได้เปยังไงอ่อก็หยุดมันแค่นั้นแะมันอย่เงแ่นั้นเออมันเคื่อนไหวปิยบทเรา ท่นหมายความว่าเราจะนั่งท่าเดียวมันไม่ได้หรอกจะนอนอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกคนเราจะยืนอย่างเยียวมันไม่ได้หรอกจะเดินอย่างเดียวก็ไม่ได้ยืนบั่งนั่งบั่งนอนบั่งไม่ละบททั้งศีลให้มีความรู้สึกว่าเราพยายามเว้นอจะไปนำกองทุกข์เข้ามาในครัวเราฉะนั้นให้รู้จักรว่าชีวิตมันเป็นยังไงมาให้รู้จักถายทอดอยู่เสมอให้เรามีความรู้สึกทีสติอยู่มีสัมผัสัญญาอยู่ รู้ตัวว่าเวลานี้เราคิดอะไรมาหยุดจะดเป็นกุศลไหมกศลควรแต่เราไม่มควอะไรเรารุ่งจังนี้ยืนย้ายไปังเถอนั่งไปตั้เยาไปคให้มันตายตัวเลยอย่างนี้อาัน เ, นเปนน็นไได้ไหมเป็นยังไทได้เกียวกมเกียดันรรมมนั่งตายกันเท่า น, นั้นไมไคิดเอาพอสมควรสำหรเรา อายุจะประมาณพอสมควรอืมแต่ก่อนนั่งหนึ่งชั่วโมงเหรอนี่นั่งในห้าในใจแล้วสบายใจจะไม่สบายเพราะคนหลงเหมือนเนาะนั่งนั่งในน้อยไดเกินสั่ยใจเขานั่งน้อยเนาะหยุดหยุดงเงี้ยแค่นั้นก็10 10นนนนเอาอืมไม่สงบโดยการดูการเดินก็เอาอย่างละคนเท่าไหรเราจะคนมันมีขวานไม่มีขวานเนี่ยอมันเลือก เรื่องมมีจอบขุดแล้วมนคนได้ไหมไหมตัว เ, เนี่ยอย่างเช่นควรจะตัดยังไม่มีควรจะทางานจะโค่นไหมจะมีได้ไห้เแาต้องคิดต้องมีปัญญาอย่างนั้นเฮียเดนเนดินนังนั้นท่านจะทำจิดนี้ให้มันมีความรู้สิกเป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะนั่งน้อยนิดเหมนกัท่านปฏิสันน่ะมันจินตยาน มันไม่ประมาณอยูรู้ อ, อยู่นะไม่ใช่นอยใจเอาฉันเอาใหม่ี่เนี้ยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องคุโตกันอะไรนะอืมเราคิดที่นี่เนี้ยคิดเหล <c oughs> ือวเหลือวปากอย่างไรกเส่นเนี้ยอยากเชือน้ำให้หมดปวดนะ <c oughs> ถ้ามันล่นก็ร้องให้แต่ถ้าในน้ำน้อยมันจะเป็นไปได้ไงเนีมันก็แค่นี้นะก้าวแค่นี้ ถ้าไม่พอก็สี่เดียวนี่ไม่พอเอาอีกจะไดทําไมเชื่อได้หลายครั้งไม่หลายหนแล้วเราไปพูใบใหญ่คือมีเพียงคีเดียสพอนี้มันเล็กเรามีรถเล็กมันใส่รถสิบล้อรถสองแถวนึ่เจื่อไปคนอะอรพยายามแค่นิดหน่อยฝนทางเรียไม่พอไปฝนมีขสองทาพอฝน กม่รู้สิบล้อจะไปเชื่อคามรูสิบล้อเขาได้เนี่ยองนี้มันจะเป็นพวกที่จะทำหน่อยนี่เรียนปัญญาของเรารอกมันจะคิดมันนี้อะไรมันจะเป็นอุบายให้เราสงบใจอุบายทุกอย่างอะไรจะให้มันใจเราสงบเ็กรรมฐานทั้งนั้นใจใจ่างวันงานานๆันถึงงนงานไไหนันไม่ so <calculated dem. S 1> ็ว <c oughs> ัต <c oughs> so ้จะตายตนนันะมีเหลือหรือไ มันให้ชีวิตดีคนดีสินะเออชีวิเดี๋ยบหลังปวดเอวเนี่ยไมนอนไม่ดีละไม่ถูกของแขกที่ฝงไทยรู้ทุกวันมีเดินก็ไม่สะดจะได้ล้วจ้าอาตมาที่มาสังขามเป็นไปอย่างนั้นเออชีิตจรินไปสงสัยไม่ชอเป็นเงินทอ รู้ิ่งนี้ร้น้รู้ิ่งนีนะสิน hey, okay, okay. okay, okay, ี oh, okay. so ้แล oh, okay. ้วนพกอย่างไอะเดยวจะหาดูหมอตรงนี้จะหาเขาถอดถอนกันเป็นอะไรอะไรผูกอะไรอะไรหลยอวุ่นอะไก็อ่อันนี้มันมงคลต่นเป่าเออทำให้ก็ได้แล้ว จะนอนท่านก็ยังให้เลยเดีย๋ยไปสงสยยายในการทำเรา เ, เออแต่ปัญญา ม, มากเหมือนพระฤาษีเจ้าเนี่ยก็ใ่าะเร่งมนันปัญญาตามหรอเนี่ยมากก็มาปัญญาตามนัม่นปรเด็นงั้นเนี่ยนั่งจะมาที่นั่จะนั่ ง, งจะมาที่แต่เห็นมันตรงไม่ถูกอืมก็เดินไปได้อย่างนี้น ก็ทํามันผูกไปได้ไม่ต้องไปยก ค, ครูที่ไหนอยู่แล้วพอแล้วไม่ต้องขอถึงพระพุทธอยู่เรื่อยขอถึงประธรรมอยู่เรื่อยขอถึงพระสงฆ์อยู่เรื่อยทำไมต้องขอบ่อยๆขอถึงทํนไปได้ไม่ยากอะไรมเมื่อิจจะเปนไม่ต้อขอถึง่งานก็เลยทำกิจของมันสงบให้มันมีสติขอรามีมสติ จะมีส่วนมใรูปหน้าอยู่ว่าจะทําอะไรจะอะไรใูปก่อนเมื่อรู้ว่าไมีสติรูปเข่ากัที่เมื่อจะไปทําอยู่เมื่อทีจ ะ, จะไปจับแก้วจะรู้อื้อเราจะมีสติจะไปจับเอาขวยนี้จะรู้เมื่อเราจับมาขวยนี้มันจะมาทําอะไรอยู่เป็นกระบวญกาให้เรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่บัดนี้เราเราร่างจารอยู่เดี๋ยวนี้ บางทีจิพของเราเนี่ยเมื่อเราล้างจานาอะไรี่เราเหนื่อยอะไิด่นะเราเป็นฝุ่มันเป็นทุกมมีความอิจฉามะมีความพยาบาลนะมีอะไรไมต้องรู้จักที่ทำมให้อยู่จิตอะไรมั น, น, มมนปินสมาธิอยู่มันมั่นอยในการปติอะไรนันะอันนี้เราล้างจานให้มันสะอาดจิตจะสดๆไปเนนรื่ๆบ่นไปขว้วะ ไม่รู้ว่าแผ่นร่างจารบใจใน่ล่างในล่าง จ, จาร์เนี่มันสาอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรมาเปกิดเมื่อไหรมันจะมีจาร์ถ้าตัวชั้นวิชญะนี่เพื่อจะให้มันเป็นวิร่าเลยมาจับเป็รู้จักว ะ, ะโยมจะนึกว่าตรงนั้นขัดข้องตรงนั้นสะดวกใช่ไหมว่าทํางานกับคน คนเนี่ยนะมันเป็นคนยังไม่เป็นพระใครก็อยากได้ทั้งนั้นแหละที่มาทํางานด้วยการไม่เคยเป็นพระด้วยอยากความอยากแล้วออืมทุกคนมันก็ต้องเป็นไปกันอย่างเนี้ยไม่จะรับรองกันแล้วตัวเซนรับรองไม่ได้เมื่อความอยากมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องมันต้องเป็นไปอย่างเนี้แค่พุทธเจ้าฉันบอกว่าผู้ประาศเกิดเป็นไหนจะชื่อมันอยู่ตรงนั้นอืม อธิการมาละงับแล้วมาเห็นนี้ตรงนั้นมีคำคมพูดเด่นเพลินพระทันอยู่ในบ้านนีสช่นอยู่ในบ้านในบวชเป็นพระวันนี้ออกจากบ้านมาในเสด็จพระเขาเลิกเพิ่ออกมานะออกมาเพื่อความเสน่ห์มาสึกษาให้มีความรู้อีกตรงั้นก็าดึงบทกดกข้าไปในป่าในเขาอีกนิสี้มันไปไม่ทีนี้อยู่ตงโง่ ในสิ่งนี้คือควาเพือมันหนีเพื่อความชนะเพื่อฝึกเมื่อมีกาลังแล้วก็ต่อสู้ได้เข้ามาอีกไม่ได้หนีไปด้วยความชนะความเพือนเขากานนี้โกมันการฉันนั้นก็ต้องทํำเราก็ต้องทำมันยากเป็นธรราของมันมันยากคนน่ะจะมันมีการงานทําเลยมันก็ยากยากเตะอยากจะทําอืมก็เลยมาทําการงานนั้นทาไล้มันก็ยาก ยากเพราะมันมีรายกามปรารถนาบางอย่างไม่จะเอาไงล่ะก็อยู่อย่างนี้จะเอาไงเลยทุกวันนี้โยมเข้าใจไหมว่ากฎบา ง, างอย่างอยู่ในโลกอ่าไอ้ที่มนุษย์ทั้งหลายเบียดเบียนมันน่ะมีเสืออย่างนี้เป็นต้นก็เบียดเบียนมันเห็นว่ามันมีชิตมันเป็นสกฎที่ดูร้ายให้พยอยามจะพามันเป็นการ อันนั้นก็เสียดหนึง่งสัตว์อย่างยิงก็เป็นก็เสีอเหมือนกันอย่างเนื้อยูนในป่าอย่างควงงยูนในป่าอันนี้อควรตามฆ่าเหมือนกันฆ่ามันทำไมเพราะเคยเมาเนื้อมันอร่อย <c oughs> ที่นี่สัตว์สองอย่างนี้จะไม่มีในโลกเลยจคิงทำไงมัน ดีมันก็ตามค่าชั่วมันก็ตามค่าแล้วฉะนั้นต่อพุทธองค์อยระวังระวังไม่ใช่จุบศรกดอย่างนี้เลยถ้ามีเครมาขัดข้องเนะขาโยอมมันมีสัญญาณดูโยมรวยอันนั้นนหะคือพระชากุปศักดิ์ของโยมมันกันมัรวยมาแล้วมันจะลืมตัวก็ได้ไหมนี่ตาคนยังมีปรรัญญามันจ้อแฝงเขาเลี้ยงไป ถ้ามันหมดไปก็เดียวแพ้เขาก็ความโจรดีแกอันนี้มันมีอยู่ในโลกอย่างนั้นไงโยมโยมถามว่าจะมีอุปสรรคไหมนั่น น, น, น, นี่ถ้าไม่มีอุปสรรคมก็ไม่สะดวกการางานในโลกก็เป็นอย่านีการเรียนอ า, าตมาอาตมาอย่เนี้นอตาตมาอย่นี้ก็มีอุปสรรคเหกัน สังเกตบวชมาแล้วขออุปสรรคนี้เรื่อยมาไม่ขาดเลยพระพุทธเจ้าของเราอุปสรรคนี้มเรื่อยประชวรมายังไงนะท่านพปคุณธรรมมาด้วเรื่อยเรื่ัญญาของท่านตรงนั้นแหละตรงปัญญาเกิดตรงนั้นเนี่ยตรงที่ทํางานตรงที่ยังไม่เสียแต่ตรงที่ทางานตรงมันลําบากตรงที่มันทํางานตรงที่ยังไม่ตัดทุกข์ธรรมะตรงนั้นตรงที่ปฏิบัติแล้วอม เราคิดแต่ก่อนมีคิดะ่ะคิดบ้างแต่ว่าดูเท่าคนคิดของเราอะอนาคตจะเป็นยังไงหนอะเขาเป็นธรรมบลาของคนจิต่อคิดอืมอนาคตมันยังไม่มาถึงบางคนกลัวจะแล้วอืมกลัวมันจะขาดทุนกลัวมันจะจนอืมคิดแล้วบางคนจะคิดไปเติมไปรวยจะแล้วคิดแต่ก่อนก็ร <c oughs> วยจะแล้วแต่ <c oughs> ยังไม่รู้นะ ยังได้รู้เลยเนึกว่ารวยก็มีเนึกว่าจนในเรื่องครัวพนักงานก็มีเป็นใช้อย่างนี้ยังได่เน่นอนไหนยโยมไหที่จะแน่นอนต่างทาไป่ะนึกทําไปดูความสสุขครามสุขอดีของเราตามกําลังของเราทําไปดูไปแก้ปัญหาไปอะไรเรื่อยๆของเราไปอย่างเงี้ยอืมเรียกว่าการทํางานแต่ควรนี่ควรดูตรงปัจจุบันของเราเนี่นยอืม ทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอนาคตมันทำไม่ดีแม่เลยดีแม่ทำไมถ้าเราแก้ปัญหาของเราได้กรมีปัญญาจะดีแม่เลยเนี่ยเนี่ยางนี้จะเอะไรเป็นเครื่องวัดถ้าไม่มีุปัสสัจจะเอาอะไรเป็นเป็นเครื่องวัดจาจะมีปัญญา่นอออเเไปม มีสิส<ช>ทธดีม่มบผมพยายาาให้เลยใช่นั่นก็นดีสวยัญญาของเราใช่อืนั่นก็ดีเ่อัญญาของเราดูประควนทำไปก่อนเถอะอือคือปัจจุบันนั่นทำดูปัจจุบันนั่นรู้เรื่องกัน่ะอือมูค<ม>ำววละสามสิมาแล้วู้อืนอ<ช>อ่นเฉยๆนกะ็ไม่อยากจะที่โลกเกิดดูนะไม่อยากจะไปตาย อ, อ, อ, อ, อ, อันนั้นก็ปัญญาอีกแหละโยมอันนั้นก็เรื่องปัญญาของเราพระพุทธเจ้าท่านก็หลกเหมือนกันลบเพื่อชู้ลบเพื่อชนะไม่ใช่ลบเพื่อแพ้เขาหนีไปเพื่อชนะนีหนีไปเพื่อมีชัยชนะเข้าใจไหมคนมีปัญญาจะก้าวกับหลังมันก็ถูกก้าวไปหน้ามันก็ถูกนี่เรื่องว่าปัญญาแล้ว แต่ว่าอุปสรรคกันแตว่าตรงนี้เนี่ยในสอดถอยเอาอเนหน ม, มือนแค่ตรงนี้เองนะเราเอาธรรมมาครอบครับนะมันก็มีทั้งสองอย่างเนี่ยคนเราก็ไม่มีปัญญาไม่ได้ฟังธรรมะคนจะไปเดียดเบียนกันไปฆ่ากันไปจองกันไปหยิบหาไปเบากกันไปขโมยปนอะไรกันเฉพาะอะไรเฉพาะคนผิดหวัง ความผิดหวังมันมีขึ้นมาผมก็่านะหรือเรื่องควาใช้นั่นแหละใ้เรามีปัญญาให้เรามีปัญญาให้ความตื่นตีขลาแล้วเนี่ยเรยต้องู่เหนือมันทั้งนั้นแหลเนะถึงแม้เราจะชนะมันก็ให้มันชนะถึงเราจะแค้มันก็ให้มันแพ้มันตายคิดใจอยากฆ่ามันอยากเอาชนะมัน โลกเขามันจะพูดแบบแพ้ผมพูดมาชนะแร่พุทธเจ้าก็งเราไม่มีแพ่ไม่มีชนะนหมดแพ่นั้นไม่จะมาถึงไหนนะอืมอยู่ที่ามจะมาตัดสินทาอะไรทุกอย่างกับทํานี้นอืมเป็นไปก็เป็นมาถ้ามงก็สอนอย่างงั้นอนาคตอจะพึในในใน่องอนคังอยหน้าบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกเนะทำนี้ทำน้นหรมดยความส บ, บายใจ ก็คิด้นเออ้าค้าศก้านนมาทอะไรที่เาก็มีได้นั่นแหละอืมอืมถ้าเราไมเช่อะไรกกไม่ใช่อือืมเอตังอูทำเรื่องเิปัญญา ทำโดยปัญญาเราจะตั้งใจว่าอืจะทําตรงนี้ให้มันเป็นไปอย่างนี้ต่อมันไม่เป็นไปตามความนึกคิดของเราอย่างนั้นเรียกว่ามันนั้นมันกิเป็นธรรมมาเลยอันนี้จังมันก็ไป่เที่ยนอยู่แล้วนะะแล้วก็เข้าว้างของพระพุทธเจ้าของเราสไม่แน่ทำอย่างเนี้ไม่มีรู้กข์หรอกโยมไม่มีทุกข์อะไรมันจะ อะไรมันจะเสียไปเสียไปทั้งลายปจชางมันเนี่ยน้ำจะไปส่วนบาาแล้วก็ตามไฟจะไปบ้านแล้วก็ตามจะนยามันไม่ใจเราเข้าใจไหมพอเราใจเสียไปใจมันเสียก็เเนี่ยยานใจเราเสียเราพอแล้วเนี่ยจงใจเนี่ยเมื่อมันขาดทุนก็ขาดไปทีอืมมันไม่มีทุนที่จะใหมันขาดแล้วก็ขาดไปดียังไม่ขาดที่มันได้มามันคนนี้เนี่ยอันที่มันเสียไปก็ที่มันได้มาแน่นอนมันเสียไป ไม่ใช่เอาที่ไหนเราเสียมั น, นมเราเมื่อลราคิดแบนี้ละมันก็ไม่เสียอะไรโยงยัดจ้ของอะเอาไปไม่ได้ไม่ละวัดผูกมั้งอืมตึกหลายชั้นลงแรมมีนั่นเอาไปไม่ได้ตั้งอยู่ในโลกอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าเราหนีไปแล้วก็ไปไม่ได้อยู่เงี้ยเนี่นยใจยัดให้ใจเราเสียคําที่ว่าใจของเรามันเสียนึงก็เรียกว่าของวัตถุมันเสียไปใจเราก็เสียไม่ใช่ใจเท่านั้นนะ วัตถุมีคือมากวัตถุสมบูรณ์มากเจเราก็เสียนะคนไม่รูดีเนี่ยดีมันทับเจ้าของรวยมันทับเจ้าของเนี่ดเรเมื่อเรื่อตัวอยู่ขึ้นอีสนะเอออ่ะมันเป็นอย่างนี้นะมันทับมันเสียนะถ้าคนมีปัญญาเนี่ยมันเสียทํางเพทั้งลองอ่ะมันจะได้มากกว่าเสียมันจะเสียไปกวเสียใช่จารมีจามาแล้วก็สั่งมันจะโยม เราทําไปตามธรรมชาตของเราเดี๋ยเราดูไปครับใช่อือย่าให้มันเสียที่ของเราอย่าให้มันเสียที่ไอ้ใครอะไรจะเสียจะเสียไปดิน้ําจะท่วงให้มันท่วงไปดิไฟก็ไหม้ดิมันจําเป็นต้อแก้ไขไม่ไหวจะทําไงเนะ่ยเดี๋ยวเครื่คนที่ลูกรักของเราเพื่อนรักแมันตายไปมันตายจะทําไงมันตายจะเป็นทุกข์อะไรมากมายก็มันตายก็ไม่ให้มันตายดิ เขาก็ไม่อยากตายมันตายเองมันเนี่ยจะไปทุกรอดอะไรมากมายหลวงก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหืมเราคิดอย่างนี้อายุเราจะยืนแค่ไหนยังต้องเป็นอย่างนั้นยังจะกลัวมันอุปสรรคคิดว่าเราสำรวมดีแล้วคิดดีแล้วไม่เบียดเบียนคนไม่เบียดเบียนผืนแล้วอันนั้นนักก็ต้องทำคงไปให้มันหินนี้เลี้ยงนื่เดี๋ยวทำในปัจจุบันอนาคตน่เอาไปดูกันเถะก่อนมันไม่แน่นอนหรอก ยังไม่เกิดขึ้นมามันจะเกิดขึ้นกลางหน้าโน้ตยังถึงเอามาบางทีเอามาควรก็จะยังไม่ทําอะไรเลยอ<ม>บางคนปลูกแจงโมลงไปกูคิดลง เ, เลื่อยแล้วอื<ม>ทําแจงโมสักพันคุ ม, มนะปลูกลงไปสักพันสองพันคุมคุมหนึ่งต้องตองเอาเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแจงโมยังไม่ปลูกเลย<ม>นาะด <c oughs> นเงินมาแล้วเสียคนเดียวตรงนี้นะ เ<แ>มืม่อไปทําแจงโ ม, มไปเลยฝนก็นเสียหายเลยเนี่ยจะไปคิดมันยังงั้นดีเราค่อยๆ ค, ค, คิดต่อไปตามโต้ตามเพื่อให้มันได้ยจะให้มันเสียนี่เราเขาเำเองงั้นถ้าเราคิดยังั้นไม่ทำมาะม่ได้ทําอะไรปีหน้าฝนจะตกดีไหมน้อนี่อืจะเป็นยังไงน้อนี่สงสัยยังก็ไม่ไปทำเท่านั้นแหละนี่นคนทนํานาก็ไม่ต้องทํามันไปทุกปีนาเรามีแรงก็มาแรงไปเต้ อะไรก็มันลาไปสิเราป็นคนทนํานาที่ต้องจํารู้การ น, นี้เพราว่าไงก็ต้องทําอย่างนั้นแล้วตั้งใจทําอะไรก็ทําก่อนดีอืมพระุทธเจะสัตว์ยจะไปท ว, วุงกับผลมันเลยดูเหตุมันี่ดีกว่าผลมันอยู่ข้างหน้าดูเหตุมันนี่ที่จะทํานี่ดีกว่าอันนั้นผลมาแล้วอืนไม่ต่อยแต่ถ้าจะทําก็ต้องทำํำแต่จนทำแต่จนทาทม่ห้มีธรรมะทำให้มีหลักฐาน ในใจของเจ้าของให้มันเปลี่ยนสารในใจของเจ้าของเออนี่แหละไม่เสียเราไม่เสียเออมันใหมันเสียทีเราอืมเราทำไปเลยธรรมะเมันทำไปเลยธรรมะไม่มีอะไรจะเสียพูดคระเวณีไอ้ความคิดเราคิดไปมันเสียเท่านั้นแหะอืมความคิดไปมันเสียเปรียว่าไม้ท่อ น, นี้กลาปเป็นเด็กมากลายเป็นหนุ่มมา น้ำหนักแบกมั น, มนไม่ควมหนักเต่่ที่พีแต่ที่ปีน้ำหนักแบกมันหนักหมายอานี้มันต้มนํำหนักคือหรือเปล่าหรืออะไรข้อนุมมันก็มีกำลังมากผงก็ไม่นักแต่ว่ามันไม่นักไปทั่งน้ำหนักแต่ยังมีเท่าต่อน้ำหนักมันกาแรงน้ำมันถอยลงไปแค่ไหนมไม่ใช่อะไรมันแค่จะต้องทำแล้ว ไ, ไม่เบียดเบียนตนให้เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ต้องทำนะ เงิน ท, ที่ประธา็ทําที่มีประโยชน์ทาอะไรต้องให้มีมกําไรที่ไม่เสียดิใช่อย่าไปทําย่างนันให้มันมีถึงแม่ไอ้ของภายนอกมันเสียไปว่างก็ก็อย้า้มันเสียดังนั้นทามันได้มากก็ให้มันเสียมันกันนะได้มากก็เสีย น, นั่นเอง But the fibers of t h a t stuff in your teeth and you it hurts and it's uncomfortable, so you get a t o o t h s t i c k or something and you get them out and then you're happy again. t h e n you can see, but it s s o good. So you go and you get some m o r e and you drink and you're sucking your teeth and it's the same again and you have to take it out. You've d o n your little bit a little while later. Oh, gee, but it's s t i o l going to u g o a n d e a t some more and it's j u s It's really important i n p r a c t i c e to begin to understand the process. อนดีครับอาจาย์ฮ